أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل و س ل وبرك ا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إ ن نا نا ك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلمتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آ ت ن من ا, أ من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ا ن ف ع ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا و ز د ن ا علما الحمد لله วันน ah ah uh, uh, nah nah, ah ี้สุราไม่นะครับสุราอินซันสุราที่จะพูดถึงมนุษย์อัฮม الحمد لله ก่อนอื่นนะครับตอนที่เราจะมาอ่านแล้วก็มาดูสุราอินซันที่เราจะอ่านวันนี้นะครับสุรา this ถ้าแปลตรตรงก็คือมนุษย์นั่นเอง สุานลลอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าอัลลอ์สุบฮานะฮตะลาให้ความสำคัญกับมนุษย์อัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นฮีดายัตเป็นทางนนให้กับมนุษย์ทุกครั้งที่มนุษย์มีความรู้สึก มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เวลาที่เราบอกว่าเราอะไรนะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะหมุนเวียนอยู่ระหว่างความสุขความทุกข์ความเหนื่อยความสบายอะไรพวกนี้อยู่เป็นประจํะเวลาที่เราอารมณ์ดีเวลาที่เรามีแรงมีกำลังใจเราก็จะทำอะไรได้กะฉับกระเชิกระปี้กระเป๋าไปซะทุกอย่างทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทุกวัน <laughs> หรือแม้แต่วันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ไม่เต็มวันบางทีมันกระปีก้กระเป๋ากระจับกระเชงได้เพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงพอหลังจากนั้นมันเริ่มมีอาการลดน้อยถอยลงใช่ไหมครับเริ่มมีอาการที่จะบึง้งตึงเริ่มมีอาการโกรธขึ้นเริ่มมีอาการไม่ไม่สบอารมณ์อันนี้คือความ ความถ้าเราจะเรียกอาจจะเรียกวนมันว่าวัฏจักรของอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจตัวเองซะทุกอย่าง เราไม่รู้ตัวเองเราไม่รู้จักตัวเองบางทีบางอย่างเราก็อธิบายตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมวันนี้กูถึงโกรธ <c oughs> วันทำไมวันนี้กูถึงเศร้าอีกวันหนึง่งมีความสุขอีกวันหนึง่งเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มันเข้ามาเนี่ยมันกระทั่งนะต้องต้อ ง, ต, องต้องอยากระบายต้องอยากบอกคนอื่นต้องแล้วพออาการกลับมาดีเหมือนเดิมไอ้ที่ระบายไปเนี่ยมันรู้สึกเสียใจไม่น่าพูดออกไปเลยใช่ไหม ไม่น่าบอกคนอื่นเลยไม่น่ารบกวนอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้รู้จักตัวเองแล้วจะทำยังไงในเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองทางออกของมันก็คือต้องหาความรู้จากผู้ที่รู้จักมนุษย์ดีกว่าตัวเขาซึ่ง ไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้จักเราดีไปกว่าตัวเรานอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราพระองค์ผู้สรางให้ริสกีกับเราสมกำหนดชีวิตกำหนดการทดสอบต่างๆนั้นามาให้กับเราการที่มนุษย์คนหนึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ ไม่ได้พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่อัลลอะลัย์กัลลกำลังจะบอกเขาแสดงว่าเขาคนนั้นกำลังหนีจากความจริงที่ตัวเองกำลังจะต้องเจอเวลาที่เจอปัญหาก็เลยแก้ปัญหาไม่ถูกเวลาเจอกับอะไรต่างๆนานาเมื่อไม่รู้ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นสุรทุลเอ็นซานก็ดีหรือสุราอื่นๆที่เราอ่านนั้นบทก็ดีทุกสุราในอัลกุรอานุการิมทุกอายะห์ในอัลกุรอานุการิมเนี่ย ไม่ได้ถูกประทานลงมาให้กับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวไม่ไม่ได้ถูกประทานลงมาให้กับสัตว์สี่เท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนบกที่อยู่ในน้าไม่ให้กับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺดังนั้นชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت นะครับที่พระองค์ทรงทำให้เรานั้นเป็นมะลุกที่ประเสริฐยิ่งกว่า มาคลุกใดๆทั้งสิ้นนะบวันนี้เราจะได้รู้เนี่ยสุรทลิเอนซานายักมันไม่เยอ ะ, นะหนึ่งหน้าถ้าจะเปล่าถ้าถ้ารวมกันจริงๆก็ประมาณสองหน้ า, ายักสามสิบเอ็ดยักเองแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยทําให้เราได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมันมันเนี่ยนี่แหละคืออเอนซ์านที่องค์พระเจ้าเาต้องการบอกเราในสุราสั้นๆแต่ว่ามีความหมายมาก นะครับสหรับชีวิตของเราเปิดเลยครับ سور ตุเลนซนหน้สี่สิบอดจะมาเรียนตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองตามที่อัลลอฮฺ سبحانه ะ ت ع องค์การให้เราทราบข้อท็จจริงเกี่ยวกับตัวเราอบุบิลลาฮมินัชานรจ <ت ص في ق> ب ิ سمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هل أتى على الإنسانِ حي؟ ริ่มยังไม่คุ้มชนมักดูราอินนั้น خلق นะอินสา ن ฟช من نطفات أمشاج نبت لي <ت ص في ق> มินุทัฟตَอันอัมชัจนบัَิَ عل น اآ َุซามีย์บัซ เราใَ้เดินเขาเส้นเลือดอิหม่าฉาฟราอุอิหม่าคัฟร الحمد لله س م ا จะเริ่มยังไงดีฮ ah, ุ拉ฮฺทิลาอฺทิราอฺรีนี่คือสุรุตุลกิยามะสุรุตุลกิยามะแล้วังจากจบกสุรุตุลกิยามะเนี่ยขึ้นสุรุตุลอินซานเพราะเราคิดว่าสองสุรุห์นี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับลองสังเกตดูท้า ย, ายเวลาที่เราจะดูว่าสุรษนี้กับอีกสุรษหนึ่งมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยพยายามดูต้นท้ายของสุรษกับต้นสุรษเนี่ยมันอาจจะมีตัวยะตัวอะไรบางอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่อ่ะก่อนที่จะถึงคําถามนั้นคําถามแรกก่อนว่าวันก่อนเราบอกให้ท่องสุรตุลกิ亚马 อันนี้จบไปแล้วตเซนสุรั์ยังมมีใครท่องจำใช่ได้ว่าอต้องชดไหมชดอีกกี่วันอะชดกี่วันบันกรีรมจจะให้ท่องสุรักษ์ไหมเป็นใจให้ท่องสุรั์เพราะว่าสุรห์นี้ก็สำคัญเหมือนกันหน้าท่องมากเดี๋ยวจะบอกว่าทำไม สุรัตุอินซันนะครับอ่าบอกเลยก็ไเดาสุรัตุลอินซันนะครับเป็นอีกสุรักษ์หนึ่งที่มีความสํคาคัญมากสุร ah ักษ์นี้มีความคลากันนะครับว่าถูกประทานมาที่ไหนที่มักกะหรือที่มาดีนนะแต่าวา่าทัศนะที่มีน้ําหนักมากที่สุดก็คือเป็นสุรักษ์ที่ถูกประทานลงมาที่เป็นสุรักษ์มักกะฮ์นะครับเป็นสุรักษ์มักกะฮ์นั่นเอง ในสุราทีท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมชอบอ่านอีกหนึ่งสุราโดยพาะในวันศุกร์วันศุกร์เวลาละมาศูบฮือละมาศฟนั่นเองมีสุนนะนะครับอุลามะบางท่านถึงกับมีสุนนะให้อ่าน2สุราหนึ่งสุราอะไรครับในในรคาแรกมัส i d เราอ่านไหม เราก็อ่าเรื anti, ah. um aka, hey, ah ่องอ่านส السجدة อัลิฟลามนซลกิตาบิลารฟมิรอบบิลอาลมนที่มีการสุ j ดด้วยมีการสุ j ดติละวะใช่หมครับประกาศที่สองให้อ่านุรานี้ท่านอับดุลเาะห์ุนีุ้รตุอินาบางคนก็มุลิบางคนตั้งชื่อว่าสุรตุดดฮรีบางเล่มอัลกุรอานสมัยก่อนกุรอานภีที่ an semai dek-dek itu cerita surat udhari, kerana mikamu udhari yunani itu hal antara al-Insan, inumina udhari. Kenapa? Kita ulang wicara dulu sih, kenapa setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap hari setiap malam, setiap l i a s a p s e r a t i l i a s a p s e r a t i l i a s a p m e t i a p t i เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราแล้วสำหรับมุสลิมวันศุกร์เป็นวันไีนเป็นวันที่ท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างเป็นวันที่จะเกิดวันกี่าย่มาวันศุกร์คือวันที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี่ท่านนาบีต้องการที่จะแทรกีร่ต้องการที่จะเตือนให้มนุษย์เนี่ยระลึกถึงที่มาที่ไปของตัวเอง เพราะว่าในสุรษะซาจิดะอัลลอฮฺอาลัยแจฟุตุนกันซังคันนบีอาดัมอะลัยฮสลาอ์นะคุลลชัยอ์นะคุลลชัยอัละวบดะัอินซานมนตีนุมมจะละนสมนุลลติมนมานในระซจดะอัลลอฮอาลงบีอาดัมอะลัยฮสลามาระอินซานอันนี้คือพวกเราทุกคน พูดถึงการสร้างพวกเราทุกคนสร้างมาลักษณะอะไรยังไงอัสซดีบอกว่าุราห์นี้เนี่ย a k r i h t h r a t a l k, k a l ang, uh, r e a h أول ح ในุราห์นี้ l l าพูดถึงจุดเริ่มต้นแรกของมนุษย์ก่อนที่จะไม่มีมนุษย์ด้วยซ้วมุแะฮละกช่วงช่วงที่เริ่มมีละนิดหน่อย ว่าม توسطتها และก็ช่วงกลางของชีวิตมนุษย์ว่มุน تها ฮะพูดถึงช่วงเริ่มต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงช่วงบั้นปลายของชีวิตของมนุษย์ช่วงเริ่มต้นที่เราไม่มีอะไรเลยย้อแรกแล้วก็ช่วงกลางช่วงกลางก็คือช่วงที่อะไรต่างๆกำลังทดสอบเราอย่างนู้นอย่างนี้และช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่เราจะตํารับ ผลตอบแทนจากลอดสุภางแต่ละไม่ว่ามันจะเป็นสวนสวรรค์หรือเป็นการลงโทษในนรกอ Allah Subhanahu Wa Taala นะั่งจนะเป็นดอะไรเพร า, าะฉะนั้นมันสําคัญแตบางทีเราก็เห็นบางสุราเขาก็อ่านนะสุราคนี้เวลาละหมาดซุบฮะแต่น่าเสียดายที่ว่าเขาอ่านโดยที่เขาไม่รู้เหตุผลว่าอ่านทําไมอันนี้น่าเสียดายมากคืออ่านอย่างเดียวอ่านพอถึงสุราคนี้แล้วก็อา่านพอถึงเช้าวันศุกร์ก็อ่าน ให้ท่องจําด้วยท่องท่อท่อง่ อ, ง อ, งองแล้วเอาไปอ่านในละหมาดสุโขแต่คนอ่านไม่รู้ว่าทำไมต้องอ่านสุราคนี้ด้วยในวันศุกร์นะสุ ร, ร, ส ร, รสาซาเจดะกับสุรา อ, อืนา่นๆต้องปรับยกระดับอีกนิดหนึ่งให้รู้ว่าทําไมต้องอ่านสุราคนี้และต้องหาความหมายของมันยิง่งถ้าคนที่เป็นอิหม่ามในวันนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาอ่านสุราคนี้อยู่เพราะอะไรมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเวลาที่เขาอ่านเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอัธรรตของความหมายเนี่ยมันออกมาพร้อมกับการ ที่เขาออกเสียงอ่านอัลกุรอานนั่นด้วยคนฟังจะรู้สึกได้แต่บางคนเนี่ยเขาท่องอัลกุรอานอย่างเดียวโดยไม่ได้รู้ความหมายเวลา อ, อ, อ่านอัลกุรอานออกมาเนี่ยมันออกมาเสียงไพเราะแต่คนฟังไม่รู้สึกถึงเขาเรียกว่าความหมายที่ซ่อนอยู่อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นให้เรารู้เอาไว้ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะฮะไปอ่อานอินชาอัลลอฮฺเราสุรุตุลอินชาเนี่ยเราก็จะเรียน แต่สุรษะซาจดะเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเอามัต้องประกบคู่กันอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าสองสุรษะนี้มันจะมีแง่มุมที่เหมือนกับตรงกันข้ามกันอยู่บางอย่างในสุรษะซาจดะเนี่ยจะเน้นการพูดถึงการลงโทษในนรกของลอสบาลตะอะไรอยู่นะครับตั้งหนึ่งหน้าประมาณหนึ่งหน้าประมาณหนึ่งหน้าในขณะที่สุรษะตุเลนซานจะพูดถึง ความสุขในสวนสวรรค์ประเด็นหนึ่งว่าเวลาที่เราละหมาดสุบะในวันสุขเนี่ยรักษาแรกฉายภาพนรกให้เห็นก่อนในสุลัก์ณะจุดะพอถึงให้เรากลัวก่อนเพราะอะไรเพราะตอนที่อยู่ในโลกดุนียาให้กลัว ก, กลัวการการที่เราจะทำผิดต้องเอาอัตรีบ มาเตือนตัวเองอย่าให้ทำผิดต่อล้องออะไรถ้าทำผิดต่อร้องแล้วจะต้องเข้าในะร้องทอลลอย่างเงอย่างงี้ยอยาเี้รักอัลกัที่สองมาพูดถึงสวรรค์อลัลลอฮ์ชายภาพสวรรค์อย่างงดงามมากในสุรัตุอินซาห์ให้เราอยากจะเข้าสวรรค์นะครับนี่คือเหตุผลหรือเหตุผลบางประการที่ว่าทำไมทุกวันศุกร์จึงให้อ่านสองตัวเลนี้ นะคเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทําสุนนะของท่านนาบีแบบสมบูรณ์ต้องท่องสองสุร่าเลยบางคนก็มีการเขาามีการเขาเรียกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนมีการดัดแปลงนิดหน่อยบางทีคือท่องแค่สุร่าเดียวท่องแค่สุรส่าซาเจดาสุร่าเดียวสุร่าที่สองนี้เขาไม่ท่องพอถึงพอถึงระดับที่สองนี้ไม่อ่านสุร่าอินซาแต่ไปอ่านสุรหาอื่นมันไม่ได้ผลอ่ะเข้าใจไหมครับ มันไม่ได้ผลตามที่ท่านนาบีต้องการหรือบางคนอ่านถึงแค่ซาจิดะเราก็อัดแรกพอเราก็อัดที่สองก็อ่านสุรสอซาจิดะอีกมันก็ไม่ได้ผลอีกมันต้องอ่านสองสุรอมันถึงจะเต็มเต็มเหมือนกับที่ท่านนาบีต้องการอย่างงั้นนะครับดีที่สุดผิดไหมครับถ้าจะอ่านสุรออื่นไม่ผิดแต่ว่าอัลลฮอฮฺของเรานะครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทัศนะของอุลามะในเขายังไง ที่ว่าจะอ่านสัจจะอื่นนอกจากสัจจะนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปดูต้นต่อจริงๆที่ท่านนาบีต้องการให้อมหุมมักของท่านได้ได้เรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้ของอการสอนของท่านนาบีสุลต่านสันหลำเนี่ยบางทีก็สอนแบบนี้แหละสอนด้วยการอ่านอัลกุรอานในละมาดอย่างเช่นในละมาด อ, อะไรนะละมาดอีดท่านนาบีก็จะอาจมีสุรเฉพาะที่ท่านอา่าน สุรอะอัลมาดุอิทิรก็จะมีสุรเฉพาะที่ท่านอ่านเพราะต้องการสอนประชาชนของท่านให้เท่าถึงอะไรบางอย่างที่มันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเข้าใจไหมครับอันนี้คือความสําคัญของสุรอนันนี้ให้เราเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นตำทองทำ <laughs> ออีกสุรอนันหึงแล้วอ่โดยเฉพาะคนที่เป็นอิหม่ามนะครับผมว่าไม่เป็นอิห ม, ม, มั่นละหมาดก็ท่องท่องเอาไว้ทําไร เวลาที่เราละหมาดคนเดียวโอ้ซึ้งมากครับโซลักนี้ซึ้งมากๆขอรับรองว่าเป็นโซลักที่ซึ้งมากอีกโซรักหนึ่งเอาไว้อ่านในละหมาดแต่หายุดเอาไว้อ่านในละหมาดสุนทรเอาไว้อ่านคนเดียวดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้อีกโซรักหนึงนะครับถ้าโซลักแกมัดเราท่องจำได้แล้วนะครับหรือยังท่องไม่จําก็รีบๆให้จำเสียนะแล้วก็เข้าไปหาโต๊ะครูสักคนหนึ่งโซลักแกมัดเนี่ยเข้าไปหาตัวครูสักคนหนึ่งเขาเรียกว่าไปอะไรนะไป ไปอ่านเร็วๆไปตัสมีแบบเร็วๆว่าเราท่องสร้อยเทียมันได้แล้วนะนตรูมีอยู่หลายคนในนี้นะไปไปอ่านสักหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มท่องสร้ใหม่อีกสร้อนึ่งอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสุรทูลอินซานกับสุรทนะูลขีามะในขณะที่อัไม่ใช่สุรทูลขีามะสุรทูลสัจจะนะครับนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ของมันกับสุรอัลกียะที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเราสังเกตเห็นตอน ตอนจบของสุรเกียร์มหันฯเอาละแต่เราพูดถึงอะไรเอาละแต่เรายกการสร้างมนุษย์มาใช่ไหมครับเราแต่เรายกเอาหลักฐานการสร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะบอกว่าวันเกียร์มหันี้มีจรงิงทีนี้พอมาถึงสูร้ร้อนนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงการสร้างมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเกี่ยวข้องกันอยู่และอีกอย่างหนึ่งภาพของวันเกียร์มหันฯจากสุ ร, รอัลกิยามะกับสุรุตุลอินซัลมันก็มีทหมืันสองสุรอะ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อวันเกียรมัตไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโลกดุนียามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโลกดุนียาวันเกียรมัตคือสถานที่จริงของเราคือบ้านจริงของเราคือชีวิตจริงของเราไม่ใช่ดุนียานะครับและอีก อ, อีกประการหนึ่งหลายข้อแล้วเนี่ยอีกหลายประการอีกประการหนึ่งเขาบอกว่า ตรนสุซูร่านี่มันขึ้นมาอย่างนี้อั Allah تعالى บอกว่า "هل أتى على الإنسان حين من البحر لم يكن شيئا مزورا" هل เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำถามแต่คำถามตรงนี้เป็นคำถามเชิญตักตีกหรือตักรีรเป็นการยืนยันว่าก่อนหน้านี้นมนุษย์ก่อนหน้านี้เคยมีอะไรที่ เขาถูกพูดถึงบ้างไหมมีอะไรไหมก่อนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกโลนยานี้มีใครพูดถึงเราบ้างลำยะคนใชอันมาคู่รเราเคยผ่านช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอเลาก์อ ล, อลไม่ได้บอกว่าเวลานั้นมันยาวเท่าไหร่ฮีนั้นมีนาดอร์ฮาเล์อ ล, อลไม่ได้ระ บ, บุว่ากี่ปีกี่ปีกีป่ปีที่เราเคยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยลำยะคนไม่มีอะไรเลย เชยอมาสกูรอไม่มีใครพูดถึงก่อนหน้านี้เรามีชื่อไหมเรามีอะไรไหมเรามีตัวตนของเราอยู่ที่ไหนก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่มีกี่ปีที่เราไม่มีไม่รู้ไม่รู้อาจจะเป็นล้านปีตั้งแต่ตั้งแต่นู่นมาเราไม่รู้เราอยู่ที่ไหนนอกจากอัลลอฮ์ตัลลาเท่านั้นที่รู้สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบะ แล้วพอเกิดมาตื่เริ่มมีคนรู้จักมีการตั้งชื่อโอ้เริ่มปีก้าขาแข็งเริ่มที่จะใช้ชีวิตเสมือนกับว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกเริ่มที่จะใช้ชีวิตเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของดุนเนียอลอสอลาบอกอะไร ฉันก็คือฉันฉันก็คือชีวิตเขาฉันชีวิตของฉันก็คือฉันแล้วก่อนหน้าเนี้่ยก่อนหน้านี่นอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่เขาบอกว่ามนุษย์จะถูกพูดถึงเมื่อถึงวันแก่มาไม่ใช่ตอนที่อยู่ในโลกดุนยาพอถึงวันแก่มาเนี่ยค่าของมนุษย์จะปรากฏขึ้นมาแล้วว่าตกลงเขามีค่าหรือไม่มีค่าในโลกดุนยาบางทีเรายังประเมินไม่ได้ คนที่เรามองว่ามีค่าในโลกดุนยาพอไปถึงวันแกมะมันจริงๆอาจจะไม่มีอะไรเลยหรือคนที่ไม่มีค่าบางคนมองว่าคนที่ไม่มีค่าในโลกดุนยาแต่พอเขาไปถึงในวันอัคราอัลลอฮเพราะฉะนั้นอัลกิยามะคือบ้านจริงของเราอัลกิยามะคือชีวิตจริงของมนุษย์ไม่ใช่ดุนยา แต่ถ้ามนุษย์คิดว่าวันกียรมัตเนี่ยเขาไม่ต้องฟื้นขึ้นมาอีกอะแล้วตอนเนี้ยเราฟื้นมาได้ยังไงตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราฟื้นขึ้นมาได้ยังไงจากที่เราไม่มีอะไรเลยไม่รู้ตั้งกี่ล้านปีแล้วเราฟื้นขึ้นมาได้ยังไงตอนเนี้ยแล้วเราไปบอกว่าวันเกียรมัตเราไม่ต้องฟื้นเราฟื้นม่ต้องฟื้นอีกแล้วเข้าใจปรชะชญาณีไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่อรัตน์ต้องการถามเพื่อตักเตี้ย เพื่อยืนยันว่าตอนหน้านี้เจ้าถ้าพูดภาษาเราให้มันให้มันแรงคือมึงไม่มีอะไรเลยคนหน้านี้แล้วมึงมาทําโอหังตอนที่มึงมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่สักวันหนึ่งมันก็จะตายอีกแล้วไม่ได้อยู่ในโลกดุนยาไปตลอดอ่ะเข้าใจไหมครับเรามองจุดนี้เรามีค่าอะไรบ้างไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆสุบฮาร์ลลออุสซาฟุรุลออออะกุบิ ลาละลกุะอลลเลแม้กระทั่งในโลกดุนยาเนี่ยมนุษย์ก็ไม่มีค่าในสายตาของอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละมนุษย์ไม่ได้ถูกพูดถึงตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานะอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเรานะสิ่งที่จะทำให้อัลล์พูดถึงมนุษย์เนี่ยมีกี่อย่างในโลกดุนยาพวกเราลองตั้งคาถามดูเราจะมีค่าต่ออัลล์ุบฮานอลในโลกดุนยานีมีกี่อย่างตอนไหนบ้างก่อนหน้านี้ เราไม่มีค่าเราไม่พูดถึงมะไอีกแล้วก็ไม่พูดถึงมนุษย์เองก็ไม่ได้พูดถึงคนเราเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยจะให้คนอื่นพูดถึง เ, เราต้องทําอะไรเป็นที่พูดถึงเป็นที่กล่าวขานของคนอื่นเนี่ยต้องทําอะไรอะไม่ทําดีก็ทําชั่วถ้าทําชั่วก็จะถูกพูดถึงในแง่ของโหดไป<ๆ>เลวไปใช่ไหมครับแต่อยากจะให้พูดถึงในแง่ที่ดีก็ต้องก็ต้องทําดีแล้วลองถามตัวเองดูซิว่า ถ้าเราอยากจะมีค่าอยากจะให้อัลาลอฮฺพูดถึงเราในโลกดุนยาเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง อ, าลาลาอัลลอฮฺบอกว่ายังไงบอกว่าอย่างไงเวลาที่อัลาลอฮฺบอกว่ามนุษย์จะถูกพูดถึงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่ทําให้เราถูกพูดถึงที่อัลาลอฮาพูดถึงเราก็คือง่ายมากอุสกรูนี azkurkum ฟังก <to> um <Kos> ko> ูร <weigh in about> ุน <está> ี azkurkum จงเรลึกถ uh ึงฉ <attraction> ันจง zikir ถึงฉันแล้วฉันจะพูดถึงเจ้าโอ้มน uh ุษย์ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เราจะพูดถึงเราเราก็ต้อง zikir s u b h a n a l อ a h มีเรื่องที่เขาเปรียบเทียบอยู่นักวิชาการบางคนเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคือเราเนี่ยพูดถึงอัลลอฮฺน้อยมากอัลลอฮฺบอกเองว่าละซิครุลอฮฺอะไรใครที่อ่านฟุตบะบายบายว่าละซิครุลอฮฺอัคอัคบรความหมายคืออะไรครับอันนี้ว่าละซิครุลอฮฺอัคบรการพูดถึงขออัลลอฮ ต่อบาวของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เผ่านั้นพูดถึงพระองค์เองจริงไหมจริงอัลลอฮ์นึกถึงเราอยู่ตลอดเวลาอัลลอลาให้ทุกอย่างกับเราและเราล่ะให้อะไรบ้างกับอัลลอฮ์บาลอัลลแม้กระทั่งการรลึกถึงอัลลอ์เองที่เกียดมากเราพูดถึงอัลล์น้อยมากทั้งๆที่เราตะลาว่ายออัลลอฮ์ที่น่าอันอุิรุลลอฮาดิกรันคีซีร โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงนึกถึงอัลลอฮฺตาลาให้มากๆลองคิดดูลองบวกลบคูณหารดูสิว่าไอ้24ชั่วโมงที่เรามีชีวิตอยู่ในแต่และ ว, วันเนี่ยเรานึกถึงอัลลอฮ์กี่นาทีรวมหมดการละหมาดจีกเกตตอนเชา้าอ่านอัลกุรอานหรืออะไรก็แล้วแต่รวมแล้วได้ครึ่งวันไหมกล้าไหมบอกว่าได้ขึ้นได้สักครึ่งวันการจีกเกตของเราอัลลอฮ์ไม่ถึงสุฮ์ฮานัลลอฮฺ ไปต้องครับสมมติสมมติมมนะคนคนหนึ่งเนี่ยาป่วยอันนี้ผมฟังมาจากกรบซิบอีกทีก็<ๆ>บอกว่ามีคนคนหนึ่งป่วยป่วยหนักมากจะตายแล้วเป็นโรคอะไรนะโรคกรคตับรโรคไตอะโรคไตสองข่าใชงไหมไตนี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าใช่ไหมเป็นโรคไตแล้วโทรหาโรงพยาบาลโทรหารไม่ติดโทรหารพักพวกคนเพื่อนฝูงก็ไม่ติด ตัวหาคนนู้นคนนี้ที่รู้จักไม่ติดสักคนหนึ่งตัวเองกําลังจะตายแล้วโทรมัว่วพอโตหาคนนู้นคนนี้มีติดก็เลยกดเบอร์โทรศัพท์ไปมั่วม่วไปสุดท้ายก็ติดติดเป็นคนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักแล้วบอกว่าช่วยหน่อยเถอะใครก็ได้ช่วยหน่อยตอนนี้ฉันกําลังจะตายแล้วเนี่ยคนนั้นก็ได้ฉันจะไปเชี่ยวเดี๋ยนี้อยู่ที่ไหนบอกพิกัดอะไรมาก็มารับไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่า เขเอาไปส่งในห้องพยาบาลหมอบอกว่าเนี่ยหนักมากเนี่ยต้องเอาไตาออกแล้วก็ต้องหาไตามาเปลี่ยนไอ้คนที่พามานั่นแหละบอกว่าเอาไตาของฉันไปเลยข้าใช้ใจเยอยู่นะไม่เป็นไรมีบัตรเครดิตเอาไปรูดเลยจะเอารูดไปเท่าไหายก็ได้ผ่าตัดอะไรเสร็จเรียบร้อยเลือดขาดเลือดไม่พออีกเลอดอะไเอาเลือดฉันไปเลย จากเดิมจากวินาทีวิกฤตที่คนป่วยคนนั้นกําลังจะตายแล้วอยู่ดีดๆก็มีคนแปลกหน้าที่ไหนก็เขาไม่รู้จักเขาโทรมามาช่วยเขาทุกอย่างออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วให้ตายอีกข้างหนึ่งคนป่วยคนนั้นพวกเราคิดว่าไอคนที่หายเพราาะหยป่วยเสร็จแล้วเนี่ยมีไหมที่เขาจะลืมคนที่ให้ความช่วยเหลือกับเขาเนี่ย มีหมพวกเราคิดว่าถ้าเราได้รับความคีดเหลืออย่างนี้เราจะลืมเขาลงคอไหยตลอดชีวิตเนี่ยเราคงพูดถึงเขาว่ามาชะรอเนี่ยช่วยชัดยังงูยัง ม, งมีเราคงพูดถึงเขาแบบที่ไหนที่ไหนอยู่ไปเจอกับใครกาชื่นชมเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นต้องครับอันนี้แค่ไตข้างเดียวเลือดไม่กี่ถุงเงินไม่กี่บาท เราเราจำไปจนตายแต่เราก็พูดถึงเขาชื่นชมเขาไม่หยุดปากแล้วทําไมกับอัาาาลลอฮฺซุบฮฺฮานุฮฺตะลาที่ให้ใจสองข้ากับเราให้เลือดมาทั้งตัวกับเราให้ลมหายใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันตายกับเราแล้วก็ให้รุสกีทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงพระองค์เลยแล้วเราก็ขี้เกียจที่จะพูดถึงเรา ใช่ไหมครับในขณะที่การพูดถึง Allah เนี่ย Allah จะพูดถึงเราตอบกลับด้วยซ้ำเป็นไงครับมนุษย์เนี่ยจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่ว่าเพราะมนุษย์ชื่อมนุษย์ก็เลยมีนิสัยแบบมนุษย์ al-insan ในภาษาอาหรับเนี่ยมาจากคำว่า n a เสียอัลกุรอานเวลาพูดถึง a l i n s a น ในคำพี่อั uran, ลกุรอานว่าอัลลอ์เวลาพูดถึงอัลอินซานในอัลกุรอานเนี่ยมันจะพูดถึงในแง่ลบเวลาที่ขึ้นอัลอินซานปุ๊บจะพูดถึงในแง่ลบทันทีแต่มันจะมีอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคำศัพท์ในแง่บวกที่แปลว่ามนุษย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือเวลาที่อัลลอฮ์ตา่ลาเรียกเราว่าอิบนุอ่า เวลาที่เราจะบอกว่าอุบินอัมมักจะเป็นแง่บวกให้เกียรติปรากฏ خلق อะไรนะว่ละว่าละคัดคาร์มนะบันยอาดัมแท้จริงแล้วเราได้ให้เกียรติมนุษย์อันนี้เป็นแง่บวกแต่เวลาที่มาถึงอะไันสร้างปุ๊บจะแง่ลบวาอินซานอจูลา ل ق อินซานอะไรนะ ض ع ض ف أ ا على ي ف ا ل ั و ว ا ะ ن นุษย์ ن o w มนอ่ไงนะมุทลุมนุษย์ on a i วัตถินีวัวไทรูนวัวูริซีนีน์และแห่งประเทศอันมิ่งแล้วเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาในรูปแบบที่ดีที่สุดแล้วเราก็วางมนุษย์ลงมาด้านล่าง เพราะฉะนั้นเพราะมนุษย์ชื่อมนุษย์นี่แหละก็เลยมีนิสัยแบบมนุษย์มาจากคำในภาษาอรับว่านาเซีย ah จอมหลงลืมเราลืมลืมที่จะขอบคุณอ ah ัลลอ์นสซูลลอนาเซียพวกเขาลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยลืมพวกเขาซะ ในวันอาคราเนี๋ยจะไปอ้างอย่างง้นอย่างนี้สุดท้ายอัละตัลาบอกว่าทำไมตอนที่เจ้าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยพวกเจ้าลืมนี่คือความหมายของคำว่าอัลเอนซานเพราะฉะนั้นใครบางคนชอบตั้งชื่อลูกว่าเอนซานเนี่ยต้องพิจรนารณาเลย <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าชื่อมันไม่ค่อยดีแต่ในแง่ของในแง่ของความหมายนี่ชื่อเอนซานเนี่ยอัลาใช้ใช้ในการตำหนิมากกว่าที่จะที่จะชื่นชม س ب ح อ ن الله لا حول ولا قوة إلا بالله นี่คืออายะห์แรกที่ Allah t a a l าต้องการดึงสติเรามาดึงสติมนุษย์ทุกคนมาว่ามนุษย์ทั้งหลายก่อนหน้านี้เจ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีใครพูดถึงเลยพอเจ้าเกิดมาในโลกดุนยาเนี่ยเจ้าก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใครพูดถึงนอกจากว่าเจ้าจะพูดนะจะ z i ก a r ต่อล l l a แล้ว Allah Taala al ก็จะให้ค่ากับเจ้า อินน้า خلقنا الإنسان من نطفة أم شاج نبتلي แท้จริงแล้วเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำนุ่ตฟะเนี่ยหมายถึงน้ำอสุจิจริงๆแล้วมันหมายถึงน้ำที่มาจากทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิง คำแช่หมายถึงน้ำที่มาผสมกันน้ำที่มีองค์ประกอบมาผสมกันนั่นก็คือจากอสุจิของฝ่ายชายกับไข่ของฝ่ายหญิงอัาคุาณอานพูดถึงนในสุราอัตตาริกที่เราเคยเรียนมิมมาคุลิกคุลิกะอะไรนะคุลิกะมิ ม, ม่าอินดา้าฟะยัครุจูมิมเยนิศุลบี วัชรออิบอสุลวีก็คือกระดูกสันหลังด้านหลังอสุจิของผู้ชายนี่จะมาจากแนวนี้ในขณะที่ของผู้หญิงนี่จะออกมาจากส่วง อ, อกระหว่างท่วง อ, อกทั้งสองอสุลวีวัชรออิบเกิดมาจากน้ํานับแชรีสร้างขึ้นมาทําไมอันนี้เป็นเป็นคําตอบที่องศาลาจะตอบเราว่าทําไมถึงสร้างเรามานับแชรีต้องการที่จะ ทดสอบต้องการที่จะทดสอบเร า, ต, า, รเาต้องการที่จะอิมติฮานต้องการที่จะอิคทิบาลนะครับแปลเป็นภาษาภาษาอาหรับจากอาหรับไปสู่อาหรับดับจารีหมายถึงจะทดสอบเราซึ่งอายัดคล้ายๆกันนี้ที่เราเรียนมาแล้วหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในโซลตุลมุลกะดีนะครับที่อัลตัลาบอกว่าสร้างมนุษย์มาก็เพื่อที่จะทดสอบฟะจ่าลนาหฺ คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับเรื่องการทดสอบเนี่ยฟ้จะเอลเนห์สามีอันบาซีรออัลลตะลาต้องการทดสอบมนุษย์แล้วพระองค์ก็สร้างความพร้อมที่จะให้มนุษย์เนี่ย <f az im> เขาเรียกว่าพร้อมที่จะรับบททดสอบคือไม่ได้อายุติธรรมอัลลอฮฺตะลาบอกว่าจะทดสอบมนุษย์แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ให้ความพร้อมมาเลย แล้วเราจะผ่านบททดสอบได้ยังไงความพร้อมของลัทติอัลลอลาที่พระองค์ประทานให้กับพวกเราเนี่ยะมีอันบัซีรอให้การได้ยินให้การได้เห็นเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการรับฟังวาซาอลิลุอิดรอเข า, าเรียกว่าเครื่องมือในการรับฟังอายะห์ของลัทธิอัลลอฮฺเป็นเครื่องมือในการเห็นมรลูก ความยิ่งใหญ่ของ a l l า h سبحانه ออ แ, และ ت ع ะใครที่ฟังอายะห์ของอ l l a h ใครที่ดูมาคลูของล l ะเขาก็จะผ่านบททดสอบได้ใครที่ฟังเข้าใจใครที่ดูแล้วเข้าใจแล้วก็เอามาประมวลเนี่ยเขาจะผ่านบททดสอบได้ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากจะให้เครื่องมือมาแล้วเนี่ยยังมีการติวเข้าใจไหมครับ บอกด้วยอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ไปสวรรค์นนะอันนี้ไปนรกนะติวด้วยติวติวยังไงอินฮาดายนะฮุสซาบีเราได้บอกทางกับมนุษย์แล้วฮาดายนะตรงนี้แปลว่าบอกอัตตะลาละวลอิรชั่บอกทางกับมนุษย์แล้วอิมมาชาคิรันไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นคนที่ ขอบคุณ Allah ว่าเอ็มมะกัฟูร์หรือจะเลือกเป็นคนที่อุฟอร์บอก Allah سبحانه และ تعالى เอาเลยครับติวเลยอันนี้นะถ้าละหมาดนะอะถ้าทําจินา่าถ้าดื่มเหล้าถ้าทิ้งละหมาดจะไปทางนี้นะมีครูที่ไหนดีกว่านมีครับเครื่องมือก็ให้ติวก็ติวติวละเอียดมาก ผู้มือก็ส่งมาให้ผู้กำกับก็ทรงมาให้ผู้กำกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมบรรดาอบีทั้งหมดเป็นผู้กำกับกำกับทาําให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้จะแสดงยังไงใช่ไหมจะละหมาดยังไงซัลลูแคมารอาไอทูมูนิอุสลิในบอกกับพวกเราทุกคนที่เป็นดาราที่กําลังแสดงอยู่บนเวทีแห่งโลกดุนีย์จะแสดงยังไงแสดงเป็นคนดียังไง แสดงเป็นคนละหมาดยังไงท่านนาบีแสดงให้เราเห็นก่อนแต่เราก็ต้องแสดงตามที่ผู้กำกับแสดงให้เราดูจะถือสินอดยังไงจะทำฮัทยังไงแสดงให้เห็นทุกอย่างละเอียดถีแต่ก็ไม่วายยังมีคนที่ไม่อยากเป็นคนดีไม่ทำตามผู้กำกับไม่ได้ใช้คู่มือบทละครที่อัละลอฮฺประทานให้มาใช้ชีวิตตามตามใครตามผู้กำกับเถื่อน พวกกับเถื่อนบทละครเถื <uen> ่อนจากใครจากศัตร ja ูของบรรดานับ ja uh, ีก็คือชัตันละนะตุลลอฮีอาไลนะอุซุบิลลาฮ์มันดารีพี่น้งครับมีอีกนิดหนึ่งสังเกตดูสําหรับคนที่เรียนภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะแยกระหว่างคําว่าชาคิรกับกาฟูชากิรเนี่ยเขากว่าเป็นสํานวนปกติในขณะที่กาฟู เป็นวัจนอมุบเป็นการตอบย้ําชืกเป็นสมนวนธรรมดาธรรมดาฟลกนูรหมายถึงเน้นากูฟรกฟรมากมาขอบคุณน้อยน้อยแต่กฟอรมากมากเพราะมนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือความหมายสของอัลกุรอานจริงแล้วอัลล์ุบฮานะออาจจะใช้คาว่า Syakuran, kafuran, kadai. Emma syakuran, wa Emma kafura. Ania, kalau kita mencabalanskan dalam genang suara, betul tak? Tetapi mengapa? Waktu kita menggunakan syukur, tidak menggunakan syakuran, menggunakan kata syakiran? Dalam keadaan kita menggunakan kufur, kufur ini sangat kuat. Kita kata kufur lebih kuat d a r i syukur. syukur. อย่างที่ตัวอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ม น, นุษย์เนี่ยขอบคุณอัลลอฮฺตัลลอน้อยมากใ น, นขณะที่กูฟรอรต่อพระองค์เนี่ยเยอะมากๆากนะอัลลอฮฺมูซัลลิลละฮ์มันละเลกทั้ทงในแง่จางางํานวนทั้งในแง่เรียกว่าคุณภาพการชุกรการกูฟอรเองก็อัลลอฮฺเราบอกว่า ال ال ال ال วน้อยมากจากบ่าวของฉันที่เป็น บ่าวชกที่ขอบคุณอัลล سبحانه แะ تعالى อัลลอมจ علنا من الشاكرين อัลลอฮมจ علنا من الشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ل ع ظ ي م อาลัยมอา عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك อันเป็น دعاء ท่านนบีสอฮาบะของท่านนะครับให้อ่านหลังละมาหรือก่อนที่จะให้สลัด ก็ได้นะครับโดอาอีกแล้วอาจารย์บอกโดอาทุกทีอ่านไม่ไหวแล้วใช่ไหมฟังๆไปก่อนนะเราจะได้อ่านสักวันหนึ่งสักครั้งในชีวิตก็ยังดีได้อ่านนะครับขนะออัลลอฮ์เราได้เรียนรู้ตัวเราและวันนี้เริ่มต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าปั้ญญาของเราเป็นยังไงทําให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามากกว่านี้อีกบิสเนลลัฮัสซุฮาน์มอวตลสาลา الله تعالى a علم وفقا الله وإياكم لما يحب و ي, ي ر ض ه صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم سبحان ر ب ك رب العزة ما ي س ي ف و ن سلام على ا ل م ح س ل ي ن والحمد لله رب العالمين